กำเนิดพลังไฟฟ้ากำเนิดพลังจิตคนที่ทำสมาธิเก่งที่สุดในโลกไม่ใช่พระสงฆ์ในประเทศไทยหรือไม่ใช่ชาวพุทธแต่เป็นฝรั่งชาวศาสนาคริสต์คนที่สร้างจรวดไปลงดวงจันทร์ได้คนแรกคนนี้ก็ทำสมาธิเก่งแต่ยังไม่ใช่ชั้นยอดแต่คนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็ก ที่กระโดดไปลงดวงจันทร์และย้อนกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่มนุษย์โลกคนนี้เก่งที่สุดเรื่องสมาธิถ้าหากนายคนนี้คำนวณผิดเพียงเสี้ยววินาทีจะรวดยานเล็กจะเกาะยานแม่ไม่ถูกแล้วจะไม่มีโอกาสกลับมาสู่มนุษยโลกถ้าเราทำความเข้าใจซึ่งอย่างนี้เราจะได้ความว่าอยากทำสมาธิทาอย่างไรเราจะได้คำตอบว่า ทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้การทำการพูดการคิดให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปเที่ยวยึดพุทโทสัมมาอารหังยุบหนอ่อพองหนอ่อพวกนักสมาธิที่ยังเถียงกันอยู่เวลาเนี้ยภาวนาไม่เป็นหรอกอย่าไปเชื่อถ้าสมาธิจริงๆใครจะภาวนาแบบไหน พอจิตสงบเป็นสมาธิมันเป็นอย่างเดียวกันหมดในเมื่อเราสร้างขั้วแม่เหล็กทองแดงสร้างปลอกทองแดงขึ้นมามีขั้วเหล็กเอามาให้มันหมุนเสียดสีกันไม่หยุดอะไรมันจะเกิดขึ้นความจริงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็คือไฟนั่นแหละเพราะฉะนั้นจิตเราเนี่ยถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้ เรารู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราเอาสติตัวเดียวคอยจ้องคอยจ้องคอยจ้องทีนี้ตาเรามองเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสอันนั้นมันเปรียบเทียบกับแม่เหล็กทองแดงมันหมุนเสียดสีกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์เป็นปลอกทองแดงแกนในคือจิตของเราได้แก่แม่เหล็ก มันสัมผัสกับทองแดงอยู่ตลอดเสร็จแล้วมันก็เกิดความร้อนมันก็เกิดประกายไฟขึ้นมาทีนี้ฝรั่งมันฉลาดมันก็ต่อสายลงมาสายดินสายไฟเอามาแล้วก็เอามาต่อกันเสร็จแล้วก็เป็นดวงไฟสว่างขึ้นมาได้อันนี้ข้อเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับวิศวะก็มาจากสูตรเดียวกันฝรั่งคิดไฟฟ้าขึ้นมาใช้ มันอะไรพวกเพื่อนมันไปจับปลาไปถูกไฟฟ้าจากปลาไหลไฟฟ้าดูดตายทีนี้พอจับปลาไหลชนิดนี้ขึ้นมาไปวิจัยว่าทำไมปลาชนิดนี้ถึงมีกระแสไฟฟ้าดูดคนตายได้มันก็เอาเหตุนั้นมาเป็นข้อมูลคิดค้นสร้างกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมาคนโบราณเราไม่มีไม่ขีด สร้างไม่ขีดไม่เป็นเขาหาไฟมาจากไหนจากไม้ไผ่แห้งเอาไม้ไผ่แห้งสองอันมาสีกันสีหนักๆมันลุกเป็นไฟขึ้นมาแต่ฝรั่งมันหัวใสกว่าเรามันเอาเหล็กเอาทองแดงมาเป็นกําเนิดไฟฟ้า